พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าิบสาลำดับที่ส2บสองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่24พฤษภาคม2556ห้าหมีชื่อเรื่องว่าปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้น วันนี้เป็นวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2556วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งเป็นวันวิสาขปูชาปีหนึ่งมีครั้งเดียวปีพศส5 5 6มีวันนี้วันเดียวเป็นวันสำคัญยิ่งเพรานั้นพวกเราตั้งแต่เช้า แล้วก็ได้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างมิช้าก็ได้ทําปุ่นทำทานได้สมาทานศินห้าและก็สินอุโบสถศินจากนั้นก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่วัดใหม่บ้านสวนบนเสียนพระประทานพอตกตอนเย็นคณะสงฆ์ก็ลงอุโบสถทําอุโบสถพวันเป็นวัน สิบห้าคำพอตกตอนเย็นอย่างเดียวนี้ขณะนี้พวกเราก็ได้ทาพระทักษิลกล่าวคำคารวะวันวิสขาขบูชาจากนั้นก็ได้ทาพระทักษิลรอบพระพุทธปฏิมาบนศาลาแห่งนี้จากนั้นก็ได้ขึ้นมาบนศาลาได้มาทำไหว้พระสวดมนต์ทาวัดเย็น พึงจบลงสักครุนี้ต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อเองจะได้กล่าวสมโมทนันยกถาให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่เมื่อเช้าได้พูดเกี่ยวกับการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานพราะวันนี้เป็นวันสําคัญที่หลวงพ่อเองได้กล่าวว่า เป็นวันตรัสรู้เป็นวันประสูติคือวันเกิดต่อมา ก, ก็คือวันตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นก็เป็นวันดับขันปรินิพานก็คือวันเดียวกันจบเมกวันเดียวกันทั้งสาการจึงถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาแต่เมื่อเช้าหลวงพ่อเองก็ได้พูด กล่าวให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเกี่ยวกับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานในวันนี้เมื่อ 2,556 ปีให้หลักเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานคณะสัตย า, า, าติโยมมันรักษ์รพร้อมกับพระสงฆ์แต่พระสงฆ์ก็อยู่วงนอกแต่มันรักษ์กับพุทธบริษัทจีในหัวเมืองต่างๆได้ หลังไหลเข้ามาเพื่อจะมีส่วนแบ่งในพระปรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าในวันเดือน6เพนนีเมื่อ 2,556 ปีให้หลังลก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเมื่อเช้าแต่พอตกตอนเย็นวันอุโบสถหลวงพ่อก็ได้กล่าวเกี่ยวกับคณะสง ในยุคสมัยนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าปริญิพานไปใหม่ๆคณะสงฆ์ก็ละสัศมีะสายไม่รู้จะยึดอะไรเป็นหลักจึงมีการประชุมสังฆายนาเกิดขึ้นในครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าปริญิพานแล้วแล้วก็การสังฆายนาก็ยึดตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้ ก่อนที่พระพุทธองค์ก่อนปรินิพานท่านบอกว่าเมื่อเราตถาคตปรินิพานหรือว่าตายไปแล้วจากไปแล้วธรรมและวินยัยนั่นแหลจะเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลายให้พวกท่านทั้งหลายยึดธรรมและวินยัยเป็นแนวทางปฏิบัติพวกท่านจะทั้งหลายจะถึงมรรคผลนึนิพพานอย่าไปยึด ผู้ใดอย่าไปยึดสิ่งภายนอกอย่างอื่นให้ยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักจากนั้นก่อนที่พระองค์จะปรินิพานในการประกาศพระศาสนาพระองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่าทำและวินัยนั่นแหลจะเป็นาศาสดาของพวกท่านทั้งหลายาแล้วก็ท้าว่าหลักธรรมวินยัย ยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสฝากไว้กับพระสงฆ์ในยุคที่พระพุทธเจ้ายังชงพระชนยงัยงจงทาตุทรงขันอยู่ท่านก็แนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนจากนั้นเมื่อพระองค์ปรินิพานพระสงฆ์ก็ได้ทําสังฆานา พระธรรมวินัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้แต่บางกลุ่มบางกลุ่มก็เห็นด้วยบางกลุ่มก็ไม่เห็นด้วยไม่แพ้กับในยุคสมัยปัจจุบันเพราะคนในยุคนั้นสมัยนั้นก็มีทิฏฐิมานะความคิดเห็นแปลกแตกต่างกันไม่แพ้กันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประกาศพระศาสนาแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนในยุคสมัยนั้นก็ใช่ย่อยเมื่อไร ถ้าเราได้อ่านได้ศึกษาในพระไตรปิฎกทิฏฐิคือความเห็นความนีนะ้มีมากหลากหลายไม่ว่าทุกนั้นสมัยนี้พระสงฆ์ที่ทำออกนอกรูนอกทางที่มีพระวินัยบัญญัติไว้ถึง227ศอ่ิลพิกตูนี300กว่าสิกขาบทและศิลอภิสมาจารของพระสงฆ์อีกมากมาย ถ้าพวกเราได้ศึกษาเป็นหลายร้อยหลายพันสิขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้พระสงฆ์ปฏิบัติแต่ว่าการสวดพระปฏิโมกนั้นมีอยู่227ข้อแต่ศินนอกพระปฏิโมกนั้นไม่ได้สวดแต่บัญญัติเอาไว้ให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามทคำคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไวแล้วนั้น จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายได้มาทําสังคายนาจากนั้นปุกที่กรมที่ไม่ได้เข้ามาร่วมสังคายนาก็ประกาศออกไปเลยว่าพระสงฆ์ที่สังคายนานั้นท่านสังคายนาแล้วท่านตั้งก ฎ, กฎกติกากันขึ้นมาอย่างไร เ, เราก็ให้ท่านรักษากฎ ก, ฎกติกาของท่านต่อไปแต่พวกเราที่ไม่ได้เข้าไปชม เราได้ยินพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังมานั้นนี่แหละเริ่มแตกตรัศดลสายเกะเซ็นกระสา ย, สสายคล้ายกับความไม่เห็นในการประชุมมีแล้วเกิดขึ้นมาแล้วจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้กลุ่มหนึ่งก็ได้ขึ้นประกาศพระศาสนาไปทางเหนือไปทางที่เบตไปทาง ปูตานไปทางประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันลงไปทางโน้นอันนี้ระบบกฝ่ายมหายานแต่ฝ่ายเถระวาดก็ลงมาทางทางญี่ปุ่นทางประเทศอินเดียยึดพื้นยึดพื้นที่อินเดียจากนั้นก็ลงมาทางบังคลาเทศอินโดนีเซียมาเลเซียศรีลังกาพมา่าไทยลาวและก็คามน เวียดนามเป็นบางส่วนอันนี้คือทางฝ่ายเทระวาดประกาศพระศาสนาลงมาทางนี้นี่แหละแต่ทีนี้เรามองดูแล้วศาสนาพุทธเหมือนกันแต่ว่าการดําเนินการรักษากดระเปียบหรือว่าการรักษาศีลและวินยัยแตกแต่ต่างกันแต่ในความลึ ก, ลกแล้วในความเชื่อลึ ก, ลกแล้ว ก็คล้ายๆกันแต่ไม่ใช่แบบหนึ่งอันเดียวกันนี่แหละอันนี้ก็คือทำคาสอนของพระพุทธศาสนาแต่ถึงยังไงพวกเราที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าได้ฟังธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราก็มีแต่ฟังจากนั้นก็ได้ศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็นามาประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของพวกเรา แต่ทีนี้มาพูดเกี่ยวกับหลักของพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บรรจัดไว้ในพระไตรปิฎกพวกลูกหลานทั้งหลายคงไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้ศึกษาเพราะมีภารกิจทุระภายนอกมากคงได้อ่านได้ศึกษาบ้างประปรายบางทนกระสนใจก็รู้เรื่องลึก แต่บางคนก็ได้ยินได้ฟังมาแต่บางคนก็พอได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ศึกษาก็เป็นอันผ่านไปมันมีคนมีหลายระดับแต่ตอนนี้หลวงพ่อเองก็อยากจะพูดเรื่องความเป็นมาของพระพุทธศาสนาพูดต้นตอของ พ, พุทธศาสนาอย่างที่บอกพระพุทธเจ้าอย่างนี้ หรือพระสาวกอนี้เป็นมาอย่างไรในพระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธทเจ้าต้องมีความตั้งใจต้องมีความปรารถนาเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นก่อนอย่างผู้ที่จะเป็นสาวกก็เหมือนกันก็ตั้งความปรารถนาปรารถนาว่าอยากขอให้เป็นพระสาวกองค์หนึ่งในอนาคตอย่างในครั้งพระพุทธทเจ้าที่พระพุทธเจ้าประจําพรรษาชั้นดาวดึง ไปโปรดพระมารดาเมื่อลงมาจากชั้นดาวดึงมาถึงเมืองสังกัสรนาครลงมาลักษณะเป็นบันไดลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะว่าเป็นด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้ามีเทพพระเจ้าเหล่าเทวามีพระอิน์มีพรหมนำส่งตามเสด็จพระพุทธเจ้าลงมาจากบนสวรรค์พอมาถึงเมืองกสังกัสรนาคร พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมที่มาคอยต้อนรับพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสังกัสรานครเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์พร้อมกับเทวดาพวกมนุษย์ทางหลายเห็นอย่างนั้นก็โอ้โหทําไมอลังการถึงขนาดนี้ถึงยังไงก็ขอให้ข้าพเจ้าได้ขอข้าพเจ้าขอได้ปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเธอในอนาคต ถึงอย่างไงยังไงจะ ก, กี่พักกี่ชาติกี่กี่ชาติร้อยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นกี่ล้านชาติก็เถอะขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะอันนี้คือเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าแสดงอิทธิฤทธิ์อย่างนั้นแล้วสาวกก็ตั้งความปรารถนาไม่ใช่น้อยเหมือนกัน น, นี่คือในพระไตรปิฎกที่ท่านได้พูดได้กล่าวเอาไว้ให้ค้วาวอยากจะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าเป็นเนี่ยมองเห็นแล้วอยากจะเป็นอย่างเนี้ยมีมาก อันนี้เหมือนการพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะได้ตัดสรู้ก่อนจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็คงนี่แหละเป็นสนวนแรกท่านคงจะประทับใจในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งที่ผ่านมาแต่ยาวนานเหลือเกินจากนั้นท่านก็เห็นก็ตั้งความปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งด้วยเทิดอย่างพวกเราอยู่ด้วยการเดียวนี้แหละนั่งกันอยู่เดียวนี้แหละ บางคนก็อาจจะมีความปรารถนาในใจอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าหรืออยากจะเป็นพระอรหันตสาวกองใดองหนึ่งอยากจะเป็นพระสาริบุตรอยากจะเป็นพระโมกคลาอยากจะเป็นพระอนุรุทธะอยากจะเป็นพระมาหากัจจกจั ป, ปะจะเป็นพระอนุนอย่างนี้มันอยู่ในใจนานาจิตตังนานาทัศนะในความปรารถนาของแต่ละคนตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ พระพุทธเจ้าของเราก็เช่นเดียวกันในเมื่อท่านยังบำเพ็ญอยู่เหมือนกับพวกเราเราท่านท่านทั้งหลายท่า น, า น, านคงจะเห็นประทับใจในประวัติของพระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเทินในอนาคตการเบื้องหน้าอันั้นจากนั้นมาท่านก็ให้ทานรักษาศีลภาวนาในจิตในใจก็ มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยู่อย่างนั้นตลอดมาแต่ใ้ความตั้งใจแล้วความมุ่งมั่นจุดนั้นน่ะมันทวีคูณขึ้นเรื่อยๆการสั่งสมบุญกุศลที่ไม่ไม่ก็ไม่กล้าที่จะพูดให้ใครฟังเพราะอายเขาเหมือนกับมักใหญ่ไฟสูงลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่ในใจนะ่ะมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกลา้าพอต่อมาที่นี่ ความปรารถนานี่ยมันแรงกล้าขึ้นเรื่อยๆไม่อายคนทน่านกล้าพูดให้คนฟังได้บอกว่าผมข้าพระเจ้าเนี่ยถึงจะเกิดกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านชาติก็เถินะขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเนี่ยกล้าพูดขึ้นมาเลยอันนี้แปลว่าออกปากนะแต่ใหม่ๆนะี่อยู่ในใจซะก่อนเหมือนอยู่ในใจนี่หว่าบา ร, รมียังอ่อนอยู่นะ คนที่อยู่ในใจนี่บารมียังอ่อนอยู่แต่พอออกปากขึ้นมาเนี่ยแปลว่าบารมีแก่กล้าขึ้นมาแล้วไงกล้าพูดกล้าแสดงคือจุดประสงค์ของเราคืออะไรเราแสดงกล้าแสดงออกมาได้อันนี้เมื่อออกปากแล้วก็เกิดมาบำเพ็ญอยู่ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นแสนชาติเหมือนกันเกิดมาพบใดชาติใดก็คือเหมือนกับต้นไม้ที่มันเอ็นไปทางทิศตะวันออก หนึงเกองศาอยู่แล้วนะเถึงจะตัดจะโค่นยังไงมันก็ต้องมันก็ต้องล้มไปทางทิศตะวันออกเพราะมันเอ็นไปทางนู้นอยู่แล้วนะนี่ก็เหมือนกันใจพระพุทธเจ้าท่านเน้นเอ็นไปทางที่จะได้ขอให้ได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเปิดเกิดมาพบหน้าชาติหน้าความปรารถนาของท่านมันฝังอยู่ในใจ เกิดขึ้นมาทัานก็เออถึงยังไงก็ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นสยามภูเป็นโพธิญาณเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้าพเจ้ารักโพธิญาณมากกว่าชีวิตข้าพเจ้ารักโพธิญาณมากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดอันนี้คือในพระไตรปิฎกท่านได้ตรัสได้พูดไว้เราว่าพระพุทธเจ้ารักโพธิญาณ สามารถที่จะควักลู ก, กตาให้แก่ทําบุญทำทานให้กับใครได้ทั้งหมดพร้อมที่จะเอาเลือดเนื้อเสื้อไขให้กับใครๆได้ทั้งหมดแต่ขอให้ได้โพธิญาณการเสียสละถึงขนาดนั้นแหะโธพธิญาณพระพุทธเจ้าขอนที่จะมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดาแต่ท่านก็เสียสละยอมเสียสละทุกอย่างบําเพ็ญมาเรื่อยเรื่อยๆจนมาถึง ครั้งหนึ่งนี่ได้รับพยากรณพยากรณ์คล้ายๆกับว่าได้พบพระพุทธเจ้าผู้มีญาณทัศนะท่านได้ตัดสรูุพระอนุตรส ม, มาสำโพธิญาณชื่อพระพุทธเจ้าทีพังกรทีปังกรนั่นน่ะท่านได้ตัดสรู้มีพระสงฆ์สาวกในสมัยนั้นมีมากเป็นหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสน ท่านก็มาโปรดพระบิดาของท่านศรัทธาญาติโยมคนทั้งหลายก็เห็นว่าที่เนินเหมาะสมพระสงฆ์ที่มีอยู่พร้อมที่กว้างขวางแล้วถวายที่เนินนั้นถวายกับพระพุทธเจ้าทีปังกรพระพุทธเจ้าทีปังกรท่านก็เสด็จกับพระสงฆ์ในที่เนินตรงข้ามกับเมือง ใหญ่ที่จะไปบินทบาททีนี้เมื่อพระสงฆ์เมื่อคณะสัตายาติโยมเห็นอย่างนั้นพระพุธองค์ก็ บ, บินทบาทมันมีในระหว่างเมืองนั้นอะ่ะมันเป็น เ, เป็นล่องน้ํามันเป็นที่น้ำนํำซับน้ําซําอย่างนั้นแหะเป็นกคล้ายๆว่าลักษณะทุ่งนาเรียกว่าเป็นที่น้ํำซับน้ํำซาเดินบินทบาทข้ามลําบากพระพุทธเจออ้าก็เว้นไปทางอื่น ก่อนจะเข้าเมืองที่นี่พี่น้องประชาชนเห็นว่าพระพุทธเจ้าเดินทางโค้งเกินไปควรจะตัดทางใหม่ให้ตรงกับที่พักของรพระพุทธเจ้าจากนั้นพี่น้องประชาชนเขาก็เกณฑ์กันพอเกณฑ์กันเสร็จแล้วต่างคนต่างได้จอบได้ปุ่งกีได้พ่วได้จอบได้อะไรสุดแท้แต่ตะกงตะก้าที่จะทำถนนโหนทางให้ตรง ต่อที่ประทับของพระพุทธเจ้าพระเจ้าทีปังกรพร้อมกับพระสงฆ์จากนั้นเขาก็เริ่มทํากั น, นหามลุ่งหามค่าพอถึงตอนเช้าจะให้พระพุทธเจ้าบิณฑบาตสายนี้ให้ได้จากนั้นก็ลุ่มกันตั้งแต่เช้ามืดเลยตอนี้ฤาษีสุมเมธาดาบทอยู่ในป่าสุมเมธาดาบทเป็นฤาษีอยู่ในป่า ท่านมีอิทธิฤทธิ์ท่านเห่ะเหินเดินฟ้าได้เหอได้ท่านก็เหอมาทางอากาศพอมาเห็นพี่น้องประชาชนกำลังทำกันอย่างอุตตรุดแปว่าใครไม่มองหน้าใครทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความใส่ใจไม่ได้หวังอะไรมีแต่หวังบุญกุศลอย่างเดียวที่ได้ทำทางถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์พระหานตสาวกพอทำต่างคนก็ต่าง แบ่งช่วงการทำการอุตรลดสุมเมธาดาบทเหามมาทางอากาศมาก็มาเห็นเห็นพวกพี่น้องประชาชนกำลังทำถนนการอุตรลดแบบว่าทาด้วยความขมักก็เป็นทาด้วยความใส่ใจจงใจจริงๆไม่ได้ทำละละเลยแหละแปลว่าทาแบบบูชาจริงๆพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจริงๆ จากนั้นรือสีนี่ก็เหาะลงม า, าลงมาจากอากาศมาถามว่ า, าพวกท่านทำอะไรทำไมจึงทำแบบขมักขมแน่นเหลือเกินหัวหน้าเขาก็บอกว่าโอ้พระพุทธเจ้าอยู่ที่เนินนั่นน่ะที่วัดประเทศจัเด็จประทรับอยู่กับพระสงฆ์หลายหมื่นรูปและท่านจะไปบินทบาทในเมืองเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้ท่านก็ไปบินหเวน้นตรงนี้ไปมันทางโค้ง แต่บัดนี้พวกข้าพรเจ้าเห็นว่านี่คือทางตรงคือทาตัดถนนนี้ให้พระพุทธองค์กับพร้อมกับพระสงฆ์ไปบินธบาต ท, ทางฤาษีก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นข้าจะมีส่วนร่วมได้ไหมข้าจะมีส่วนร่วมได้ไหมฤาษีถามพวกนั้นโอ้ยิยนดีท่านฤาษีเอาเลยเขาเห็นว่าฤาษีเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีอิทธิฤทธิ์ได้เขาก็คง เห็นว่าท่านรือศีคงจะบันดรบันดาลให้เป็นอะไรก็ได้เพราะท่านมีฤทธิ์เนี่ย เ, เขาก็ให้ที่ตรงน้ำแฉะที่เป็นน้ำมากมากเลยทีนี้ลือศรีเนี่ยก็ถ้าเราจะบันดาลด้วยฤทธิ์ก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้อเนกสงมาเหมือนกับทาด้วยกาลังกําลังแรงกําลังสติปัญญากําลังความรู้สึกของเราเสียสละ เ, เราจะทำอย่างนี้จะดีกว่าะจะได้บุญมากกว่า จากนั้นท่านก็มว้วนจราขึ้นมาแล้วก็ม้วนถลกหนังเสือออกไป น, นุ่งผ้าจงกระเบน เ, เสร็จเรียบร้อยก็จอบขดเลยเไงเหมือนกับคนทั้งหลายเขาก็ให้ตรงที่แช่แ่ที่ตรงน้ำอ่ะ น, นะแต่ท่านทั้นก็ขดเลยอย่างอุตรลดเลยเทอไม่ได้มองหน้าใครเหมือนกัน เพื่ออยจะให้มันเสร็จทันพระพุทธเจ้าบินเบาดาตอนนี้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาตรงที่อื่นเขาเกือบเสร็จหมดแล้วใช่ไหเพราะมันเป็นที่แห้งแต่ตรงลือศีขดมันยังไม่เสร็จเพราะฉนั้นพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมกับพระสงฆ์ลือศีนี่ก็นอนเลยใช่ไหมเพราะมันยังไม่เสร็จถ้าจะให้พระพุทธเจ้าเดินลงไปก็ไปเหยียบมันจะเปื้อนเท้า เปื่นประบาทของพระพุทธเจ้าเปื่อนเท้าของพระสงฆ์ลือศีสุเมธาดาบทเนีนนอนเลยเอนอนเหยียดศีรษะไปทางพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าใต่หลังเล็วเงี้ยเป็นสะพานาขนาดนั้นแหละศรัทธาศรัทธาของสุเมธาดาบทตอนนี้พอพระพุทธเจ้ามาถึงแล้วก็ยืนยืนอยู่ตรงตรงที่ สุเมธาดาบทนอนอยู่นั่นนะขอพระ อ, องค์จงไต่หลังข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเป็นสะพานทอดเพื่อพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าขาพระพุทธเจ้าทั้งที่ท่านจะเดินผ่านท่านยืนตรงต่อหน้าของสุเมธด า, าบทท่านพยากรนะพยากรและนะทีนี้ดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายสุเมธด า, าบทเนี่ย เขาบำเพ็ญบา ร, รมีมานานเออมานานแล้วแต่ครั้งนี้บา ร, รมีของเขาขึ้นมาจะได้รับพยากรเราจะพยากรสุมเมธาดาบทนี้ต่อไปภายภาคหน้าสุมเมธาดาบทนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตชื่อพระโคตมะสมัยเมื่อประสูตรคือว่าสิทธัตถะ เกิดในสกุกลกรุงกบิลพัทพระบิดาชื่อพระเจ้าชุดโทธนะพระมารดาชื่อนางิริมหามายาดูในกรุงกบิลพัทต่อมาจะไดเ้เข้ามงคลสมรสพระ อ, อ, อ, อ, อ, อคมเหสีชื่อพิมพายโสถลาจะได้บุตรชื่อพระราหุณ แล้วก็เมื่อได้ตัดสู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระโคตมะผู้ที่อุปถาชื่ออานน์อัครสาวกซ้ายขวาสาลีบุตรและโมกขลาคือพระพุทธเจ้าทีปังกรในท่านพยากรณ์ไว้หมดใครๆมองในอนาคตมีรูปแบบอะไรไว้หมดทั้งพระสาวกทั้งพุทธอุปถาทั้ง พระปิดาทั้งพระมารดานี่อันนี้เลคือพยากรก็วันได้รับพยากรล่วงหน้าจากนั้นแต่พระพุทธองค์ในตำราก็ไม่ว่าไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเดินใต่หลังหรือเปล่าอันนี้เกิท่านก็ไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นพอพยากรเสร็จแล้วก็ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสุมเมธาดาวบทบําเพ็นะตะปะไปจากนั้นก็ขึ้นไปสู่พรม ออกจากพรมลกลงมาเกิดบำเพนเป็นลุ่มๆดอมๆเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิบ้างเป็นพระเจ้าแผ่นดินบ้างเป็นศัตราลาสิงช้างมาโ ว, วควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นได้ทั้งหมดทีนี่แต่ถึงยังไงก็ในใจนั้นคือยังตั้งความปรารถนาว่าอยู่หลวขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นโพธิญาณโพธิญาณต้องการโพธิญาณคือได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะี่แหละ เกิดมาพบไรชาติใดทีมีลุกไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาตินะจนทาตสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดาววดึงจากนั้นก็จะขึ้นไปสวรรค์ชั้นดุสิตตอนนี้พระมารดาของพระพุทธเจ้าได้ลงมาแล้วก็ได้เข้าสู่มงคลสมรสกับพระเจ้าสุดโทธนะ ที่กรุงกบิลพัทเนีต่ตอนนี้พระสิทธิถาเนี่ยเทพพระบุตรเนี่ยเมื่ออยู่ชั้นสวรรค์ชั้นแล้วจะขึ้นไปชั้นดุสิตแล้วจะขึ้นไปชั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเนี่ยพวกพรหมและพวกเทวดาทั้งหลายก็ได้กราบพระราธนาขึ้นไปกราบขอไปขอเทวบุตรเออท่านเทวบุตรบารมีของท่านมาถึงแล้วนะออท่านจะได้ลงไป เกิดข่าวนี้ท่านจะได้ได้ตัดสู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วข่าวนี้ครั้งนี้ขออาราธนาท่านลงไป เ, เกิดเทิดบนนี้พระพุทธเจ้าของเราที่เป็นเทวบุตรก็มองลงมามองลงมาดูพื้นมนุษย์โลกที่เราจะไปเกิดไปเกิดที่ตรงไหนะ จากนั้นท่านก็มองลงมาเห็นที่เกิดของท่านก็คือนางสิริมหามายาที่เป็นอั克拉มาเหสีของพระเจ้าจุฑโทธนะจากนั้นนางสิริมห า, มายาเนี่ก็ได้สุบินนิมิตนอนไปก็เห็นเหมือนกับช้างเผือกจะเข้ามามาอยู่ด้วยลักษณะอย่างนั้นนางสิริมหานอนท่านสุบินนิมิตคือฝันจากนั้นพระองค์ก็ ลงจากสวรรค์ชั้นรุสิษลงมาก็เข้าไปอยู่ในขันขันพระมารดาถึง9เดือนส0เดือนจะได้ประสูติพอประสูติมาแล้วก็ได้เจ็ดวันพระมารดานางเสิ็จมหาไมายาก็ได้สวรรค์นกศรนี่แหละอันนี้คือความเป็นมาของพระพุทธเจา้าก็จะได้เป็นพระพุทธเจา้าไม่ใช่ธรรมดาต้องสังสม ทานศีลภาวนาบำเพ็ญตะปะไม่ใช่น้อยเหมือนกันก่อนที่จะได้ตัดรู้จากนั้นเมื่อได้เกิดได้ประสูติขึ้นมาแล้วเป็นหนุ่มก็ได้เรียนวิ ช, ชาความรู้มากหลากหลายจนถึงวันหนึ่งที่พระบิดาไปแลกนาควันสี ท, ะทะัตหนางผีเลี้ยงนางนมก็เอาไปด้วย พอไปถึงตน้นต้นไม้ต้นว่าใหญ่ก็ให้ปูที่นอนให้พักอยู่ที่ต้นว่าจากนั้นก็ศิธัถะเข้าไปพักที่หล่มต้นว่านั้นพอนางสนมมีแม่เลี้ยงทั้งหลายก็ไปดูการแลกนาขวัญของพระเจ้าจุดโทธนะคือพระบิดาปล่อยให้พระลูกยาวคือศิทธัถะอยู่ตามลำพังจากนั้นพระศิธถะ ท่านได้บําเพ็ญหม่อย่างโชคโซนอย่างที่ได้พูดให้ฟังว่าเคยเป็นลือศีชีภยัยเคยเป็นผู้บําเพญ็ญทานศีลภาวนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มาบําเพ็ญอย่างนี้ละวิธีการนั่งภาวนาทํำยังไงวิธีกับบริกรรมทํำยังไงศิลธรรมท่านช่ําชองท่านบําเพ็ญมามากต่อมากที่นี้นพอเห็นสนมกำนันหายไปหมดแล้วพระพี่เลี้ยงหายไปหมดแล้วท่านก็นลุกนั่งสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละขนาดเป็นเด็กกลุมมานนะเด็กเล็กๆนะอาจารท่านยังภาวนาจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจรวมสงบจากนั้นมีอภินิหารเกิดขึ้นเหรอต้นว่านะทั้งที่แดดมันจะส่องเข้ามา ตามแสงของพระอาทิตย์นะแต่เหมือนกับมีอะไรกั้นเหมือนกับมีผ้าม่านกั้นรงมาจากต้นไม้แสงแดดไม่สามารถที่จะส่งมาถึงสิทัศน์ได้อันนี้คืออภินิหารเป็นขั้นแรกจากนั้นได้เวลานางสนมกำนันไปดูแลกนาขวาัญแล้วก็คิดถึงพระลูกเจ้าโอ้พระลูกเจ้าอยู่กับใครโอ้พวกเรามาดูแรกนาขวาัญกันทั้งหมดเนี่ย ก็เลยกระเะด่้าไปไปเห็นสิทธะนั่งคัดสมาธินัง่งก็เกิดเห็นอภิเนหานทั้งที่แดดจะส่องเข้าไปแต่ก็ไม่ส่องอันนั้นแหะคือครั้งแรกจากนั้นสิทธะคือพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ได้นั่งสมาธิต่อจากนั้นก็เป็นเด็กหนุ่มแล้วก็เรียนหนังสือเรียนศิลปะในยุคสมัยนั้นพวกเขาจะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเขาก็ต้องสอนวิชา บริหารจัดการวิชาอ า, อาวุธยุทธปกรวิชากี่มา้ากี่ช้างวิช า, าจริงธนูเขาก็สอนให้หมดเลยจนเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญหมดทุกอย่างจนเมื่ออายุ16ปีก็ได้เข้ามงคลแต่งงานเข้าสูมมงคลสมรสกับนางพิมพายะโสธราจากนั้นก็มีความสุขแบบครวด เมื่ออายุ29ปีพระ อ, องค์เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายท่านเองจิตใจมันมองเห็นนั้นเพราะว่ามีบา ร, รมีอย่างที่ท่านได้บําเพญมาแล้วนั่นจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้หนีออกไปบวชออกไปกลางคืนเลยไปอยู่ในป่าไปถึงแม่น้นําอโนมาณถีก็ไปบําเพญบวชอยู่ที่นั่นบําเพนลองผิดลองถูกเป็นเวลาถึง6ปีจึงได้ตัดสรุ เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนคือวันนี้แหละเมื่อ 2,556 ปีให้หลังเป็นวันที่ตัดสู้ของพระพุทธเจ้านี่แหละการบำเพ็ญหรือว่าการประพฤติธปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญคุณงามความดีเนี่ยไม่ใช่ว่าประเดียวประดาวไม่ใช่ว่าพบนิชาติเดียวทนันทีไม่ใช่เกี่ยวเนื่องมาหลายพบหลายชาติ ก่อนที่จะได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเรียกว่าสอสงไขยกําไรแสนมหากรัปอันนี้คือปัจปัญญาที่กะนะศรัทธาที่วิรยิยะธีกะนี่ยศรัทธาที่กะนี่ยาวกว่านี้อีกเปลว่าหกอสงไข์กาไรแสนมหากัปถ้าเป็นวิริยะที่กะเนี่ยแปดอสงไข์หรือ16อสงไข่หลวงพ่อก็จําไม่แม่นตัวนี้ แปลว่ายาวนานคือพระพุทธเจ้าเนี่ยคือมีสมระดับปัญญาทิกะเนี่ยปัญญาทิกะคือใช้ปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าคนนั้นเนี่ยปัญญาทิกะ่ต่อมาก็ศรัทธาทิกะคือพระศีอานว่าศรัทธาทิกะต่อไปกับวิทยาทิกะวิทยาทิกะนานจะได้มาตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบำเพ็ญกว้าขงขวางยาวไกล ก็จะได้ตัดจรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสุบสัมโพธิญาณแปลว่าเป็นผู้ได้บำเพ็ญบารมีกว้างขวางมากถ้าจะว่าไปนั่นคือเป็นอภิมหาเศรษฐีเลยละ่ะผู้ที่บำเพ็ญวิริยะทิกะแต่ศรัทธาธิการลดลงมาแต่วิริยะทิกะารสั้นอย่างพระพุทธเจ้าอายุก็ต่างกันบารมีก็ต่างกันพระพุทธเจ้าของเราอายุร้อยปีเป็นอายุไข และก็บารมีไม่มากแต่ว่าความตัดสรู้เป็นความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสเหมือนกันทั้งหมดอย่างพระอรหรนันต์ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าในความบริสุทธินั้นแต่บารมีต่างกันการบำเพ็ญบารมีต่างกันตอนนี้พระพุทธเจ้าพระศรีอริยะเมตไตรท่านบำเพ็ญทางศรัทธาธี่กะอายุยืน8 0 0หมื่นปี นี่แหละต่างกันอย่างนันนะอย่างพระพุทธเจ้ า, าที่มีอายุที่ท่านวิริยะธิกะเนี่ยองนั้นบารมีมากการสั่งสอนสอนคู่คนลูกศิษย์ลูกหาของท่านท่านก็ไม่ได้สั่งสอนมาก เ, าเพียงแต่ว่าเห็นบริษัทออกมาเนี่ยพวกเราตั้งใจนะให้ดดให้อยู่ในใจไนดะ้ตั้งใจนะพ่อทุกคน เข้ามาสู่ใจเท่านั้นน่ะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้พับผูพัผูพัผู้พับเลยไอ้คขาวันเข้ามาสู่ใจเพราะท่านเหล่านั้นได้บำเพ็ญมาอย่างมากเหมือนกันที่จะได้เกิดในาศาสนาของพระพุทธเจ้านี่อย่างพระพุทธเจ้าพุทุมุตระเนี่ยองค์นี้เป็นว่าฟังฟังท่านหลวงพ่อจําไม่ผิดก็ว่านี่ท่านเป็นวิริยะบําเพ็ญมาวิริยะบรมีสัมปันโนนี่แหละ อันนี้ก็คือการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเล็กน้อยไม่ใช่ของใดง่ายง่ายแต่บางองค์เถนี่บางองค์บำเพ็ญไปแล้วโอ้ไม่ไหวออพอได้ฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้ากลับใจใหม่ทั้งที่ทีแรกก็จจะอยากจะได้พระพุทธเจ้าล่ะแต่พอได้ฟังแล้วโอ้โหก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดายากมาก เอาเถอะข้าพเจ้าขอเป็นพระสาวกเถอะนะบารมีของเราที่ได้บำเพ็ญที่จะเป็นพระพุทธเจ้าน่นนะกลับให้ผลใหม่เออให้เขาแบบเปลี่ยนแปลงให้ผลใหม่เป็นพระสาวกก็ได้สำเร็จมกักสำเร็จผลก็มีมากต่อมากอย่างพระมพระมหากัจายนะอย่างนี้ที่ท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะในอนาคตนะแต่ท่านยังไม่ได้รับพยากร ท่านบำเพ็ญมาในาศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าท่านบอกโอ้ไม่เอาละพระพุทธเจ้าเนี่ยยาวนานเหลือเกินขอให้เป็นพระอระหันต์เป็นพระอระหันตท่าสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยเถิดคือเปลี่ยนความตั้งใจใหม่คือตั้งความป่าทะนาใหม่ไม่เอาพระพุทธเจ้าก็ จะได้ยื้อยาวนานเกินไปจากนั้นพระมหากัรจะนะก็ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์พอได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วทนท่านเป็นผู้แตกฉานในอดในธรรมแล้วท่านเพราะบารมีของท่านท่านบําเพ็ญจึงได้เป็นพระพุท ธ, ธเจ้าอยากเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าแต่ว่าท่านละความพยายามนั้นท่านก็ได้เป็นพระอาหารหันต์ในเมื่อเป็นพระอาหารหันต์ก็เถอะแต่ ก็ได้รับเอธาทคะจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดคำนึงว่าอันใดจังอ่าอันใดจังของไม่เที่ยงนะเอาให้กระจายนะอธิบายสิให้คณะสัตธาญาติโจมฟังเราจะพักผ่อนก่อนตอนนี้พระมหากระจายชนะก็ขึ้นอธิบายและอธิจังของไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงบั่งอธิบายให้ฟังยาวเจ็ดพี่น้องประชาชนที่ฟังแล้วก็เข้าใจ พระพุทธองค์เสด็จมาถึงว่าฮะกัจจายนะอธิบายแล้วยังอธิบายแล้วพระเจ้าข่าเออนี่นถ้าเราอธิบายก็อธิบายอย่างกัจจายนะอธิบายให้ฟังเนี่ยะนะเหมือนกันเราอธิบายอย่างนี้แหละอย่างกัจจายนะอธิบายเนี่ยนะพระพุทธเจ้ารับรองในการแสดงธรรมของพระมหากัจจายนะแต่พระพุทธเจ้าตัดว่าเพียงเจ้าย่อ แต่พระมหากัะจายนะขยายผลเป็นผู้แตกฉานในอัดในธรรมนี่แหละอันนี้ก็คือแนวแถวของพระพุทธศาสนาแนวแถวประธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านที่พูดขยายหรือบอาพูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นก็เพื่อการศึกษาแต่ถึงยังไงพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้ว่าถึงจะเป็นระดับไหน อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่มีใครที่จะหลีกลี้ยงหนีพ้นไปได้เพราะนั้นทางว่าเกิดมาหลายภพหลายชาติก็มีแต่ความทุกข์ซ้ำซากอยู่อย่างนั้นน่ะถ้าว่าเป็นไปได้ตัดกิเลสซะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็พ้นทุกในวัฏสงสารถึงแดนพระนิพพานอันนั้นแปลว่าจบ อ, าอันนั้นจบเลิศประเสริฐ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะใครจะปรารถนาใครจเจ้าอะไรก็โลกนี้โลกหาได้อยากจะเป็นพระพุทธเจ้ า, า, า, า, จ า, าก็ตั้งความปรารถนาได้จะเป็นพระสาวกก็ตั้งความปรารถนาได้จะเป็นแบบไหนเป็นคนช่วยช้าลามกจกเปรตอะไรปรารถนาได้ทั้งนั้นโลกนี้เป็นโลกหาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันชั่วพวกเราอย่าทำํำอย่าคิดอย่าพูดอย่าทําให้ หาแต่สิ่งที่มีประโยชน์หาสิ่งที่จะเป็นบุญเป็นกุศลจะทําให้จิตใจของเราเจริญงอกงามต่อไปพ่ายภาคหน้าจะประเสริฐกว่าทั้งที่เรามาเกิดมาในในแดนของพระพุทธศาสนาในแดนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในแดนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวแนะนําให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาป บ, บุญคุณโทษแต่เราดันทุลังไปประมาท ไปยึดเอาแต่สิ่งที่ชั่วช้าเร็วซ้ำไหนไหนที่ชั่วชั่วเราเอาทั้งนู่น่ะกินเหล้าเมายาสุลานารีภาสีกีเหล้ากีลาบัตดอันไหนที่มันชั่วช้าเสียหายเป็นนักเลงหญิงนักเรียงชูลาอันไหนทําความชั่วฆ่าจัตัดชีวิตอันไหนมันเร็วเราไปเอาอย่างนั้นเราก็หาได้ เ, าเราก็หาได้หาที่มันชั่วไม่ว่ากันโลกนี้มันโลกหาได้ แต่เราคิดดูสิว่าการทําเช่นนั้นมีแต่ความหายนะมีแต่ความชั่วชา้ามีแต่ความทุกข์เข้ามาหาตนเองพวกเราควรไม่ควรจะหาอย่างนั้นควรจะหาควรประกอบคุณงามความดีควรจะหาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจให้ทานรักษาศีลภาวนาให้เน้นเรื่องภาวนาเนี่แหละสําคัญเพราะชีวิตของพวกเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วท่านตรัสไปแล้วว่าตายแล้ ว, ลวไม่สูญ อย่างที่หลวงพ่อได้พูดมายาวเหยียดเนี่ยความเป็นมาของพระพุทธเจ้าความเป็นมาของพระสาวกความเป็นมาของแต่ละดวงวิญญาณของแต่ละพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ในตําราในพระไตรปิฎกท่านบอกกล่าวไว้อย่างนี้เพระาะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้ทําแต่คุณงามความดีตายแล้วไม่สูญอย่างว่าตายแล้วเกิดอีกแต่ว่าการเกิดนั้ไม่แน่นอนนี ถ้าทํากรรมชั่วถ้าทํากรรมชั่วกรรมชั่วจะพาไปเกิดทางต่าถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีจะพาไปสู่สวรรค์ไปสู่ไปมาเกิดเป็นมนุษย์หรือมาเกิดเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาสวรรค์ชั้นพรมไปเรื่อยลเพราะเราทํากรรมดีถ้าเราทํากรรมชั่วนกรรมชั่วจะพาดันตกต่ําเป็นช้างมา้าวัวควายภู้หมาเป็ดไก่สัตว์ที่รชนันเป็นได้ทั้ง น, นั้น เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะเกิดมาคราวนี้เกิดมาชาตินี้ได้พบพระธรรมคําสอนได้พบพพุทธศาสนาให้ประกอบคุณงามความดีและให้รักษาศีลรักษาศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยจากนั้นก็ให้มีทานสงเคราะห์อนุเคราะห์พ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนเองให้ลําลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนเองเอาจากนั้นประกอบอคุณงามความดีนั่งสมาธิ ก่อนรับก่อนนอนให้บำเพ็ญภาวนานั่นแหละรปลว่าเกิดมาแล้วเราส ะ, สะแสวงหากำไรโลกในโลกหาได้หาได้เราควรจะหาแต่คุณงามความดีการพูดและการกล่าวสมบทนียกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาการพูดในวันนี้จะเน้นไปในทางพุทธประวัติ ความเป็นมาของพระพุทธเจ้าให้พวกเราท่างหลายได้ฟังได้ศึกษาถ้าว่าอยากจะค้นคว้าศึกษาอีกก็อยู่ในพระไตรปิฎกนั่นที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดนี้หลวงพ่อได้ค้นคว้าได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วก็ได้จดจำเป็นบางประเด็นเด่นมาบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังขอให้พวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วก็ให้เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีจะตั้งอยู่ในความประมาท อาตอนนี้ไปนั่งสมาธิก่อนนะวันนี้ทำให้ครบมีทั้งทานมีทั้งศีลแล้วก็ให้มีภาวนาด้วยวันนี้เพราะว่าเป็นวันสําคัญเป็นวันตัดสรุปรสูตรตัดสรุปผลิตภัณฑ์ของพระพุทธเจา้าอาตอนนี้ไปนั่งสมาธิณนะที่ทนี่นะพุทโธพุทโธเน่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรบริกรรมพุโทโธเป็นหลัก